ตัวกฎหรือตัวสภาวะของปฏิจจสมุปบาทข้อที่4ความหมายโดยสรุปเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายง่ายกว้างในเบื้องต้นเห็นว่าควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว้โดยสรุปครั้งหนึ่งก่อนคำสรุปของปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่า หลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นกระบวนการเกิดดับของทุกขหรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงความเกิดดับของทุกข์เท่านั้นเองคำว่าทุกมีความสำคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรมแม้ในหลักธรรมสำคัญอื่นๆเช่นไตรลักษณ์และอริยสัจก็มีคาว่าทุกเป็นองค์ประกอบสาคัญจึงควรเข้าใจคาว่าทุ ก, กันให้ชัดเจนก่อน ในตอนต้นเมื่อพูดถึงไตรลักษณ์ได้แสดงความหมายของทุกข์ไว้สั้นๆครั้งหนึ่งแล้วแต่ในที่นี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อศึกษาคำว่าทุกข์ในพุทธธรรมให้สลัดความเข้าใจแคบๆในภาษาไทยทิ้งเสียก่อนและพิจารณาใหม่ตามความหมายในพุทธพจน์ที่แบ่งทุกขตาภาวะแห่งทุกข์เป็นสามอย่างพร้อมด้วยคาอธิบายดังนี้ ทุกอย่างที่หนึ่งทุกขะทุกขตาทุกข์ที่เป็นความรู้สึกทุกข์คือความทุกข์กายทุกใจไม่สบายเจ็บปวดเมื่อยขบโศกเศร้าเป็นต้นอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญตรงตามชื่อตามสภาพที่เรียกกันว่าทุกขเวทนาคือความทุกข์อย่างปกติที่เกิดขึ้นเมื่อประสบอนิถารมหรือสิ่งกระทบกระทั่งบีบคั้น ทุกอย่างที่สองวิปริณามทุกขตาทุกขเนื่องด้วยความผันแปร ى, หรือทุกที่แฝงอยู่ในความผันแปรของสุขคือความสุขที่กลายเป็นความทุกข์หรือทำให้เกิดทุกข์เพราะความแปรปรนกลับกลายของมันเองหมายถึงภาวะที่ตามปกติก็สบายดีเฉยอยู่ไม่รู้สึกทุกข์อย่างใดเลยแต่ครั้นได้เสวยความสุขบางอย่างพอสุขนั้นจางลงหรือหายไป ภาวะเดิมที่เคยรู้สึกสบายเป็นปกตินั้นกลับกลายเป็นทุกข์ไปเสมือนเป็นทุกข์แฝงซึ่งจะแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนลางไปยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็กลับกลายเป็นทุกข์รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเสมือนว่าทุกข์ที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไปถ้าความสุขนั้นไม่เกิดขึ้นทุกข์เพราะสุขนั้นก็ไม่มีแม้เมื่อยังเสวยความสุขอยู่ พอนึกว่าสุขนั้นอาจจะต้องสิ้นสุดไปก็ทุกข์ด้วยหวาดังวนใจหายไหวหวันครั้นการเวลาแห่งความสุขผ่านไปแล้วก็หวนระลึกด้วยความร้อยหาว่าเราเคยมีสุขอย่างนี้อย่างนี้บัดนี้สุขนั้นไม่มีเสียแล้วหนอทุกอย่างที่สามสังขารทุคตาทุกตามสภาพสังขารคือสภาวะของตัวสังขารเอง หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันห้าเป็นทุกข์ขันหน้าในที่นี้รวมถึงมรรคผลซึ่งเป็นโลกุตระธรรมด้วยขันทั้งห้าเป็นทุกข์คือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยที่ขัดแยง้งมีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไปไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพซึ่งพร้อมที่จะก่อให้เกิดทุกข์ในแง่ความรู้สึกทุกข์ หรือทุกขเวทนาแกผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพและกระแสของมันและเข้าไปฝืนกระแสอย่างทื่อๆด้วยความอยากความยึดอย่างงง่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญาความอยากความยึดในที่นี้คือตัณหาอุปาทานและที่ว่างงงๆนั้นหมายถึงอวิชชาทุกข้อสาคัญคือทุกข้อที่สาทุกตามสภาพสังขาร แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองแต่สภาพนี้จะก่อให้เกิดความหมายเป็นภาวะในทางจิตวิทยาขึ้นได้ในแง่ที่ว่ามันไม่อาจให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์และสามารถก่อให้เกิดทุกข์ได้เสมอแก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาตัญหาอุปาทานหมายเหตุเชิงอัดทุกข์ในความหมายของสังขารทุกนี้หากพิจารณาความหมาย ที่มีผู้แสดงในภาษาอังกฤษประกอบบางท่านอาจเข้าใจชัดมากขึ้นท่อนที่หนึ่งที่แสดงถึงสภาพของสังขารทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองมักแสดงด้วยคำว่า conflict oppression unrest imperfection ท่อนที่สองที่แสดงว่ามันไม่อาจให้ความพึงพอใจโดยสมบูรณ์มักแสดงด้วยคำว่า unsatisfactoriness และท่อนที่สามที่ว่าสามารถก่อให้เกิดทุกข์ได้เสมอนั้นมักสแสดงด้วยคำว่า state of being liable to suffering ความที่กล่าวมาตอนนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าทุกข้อที่สามคือสังขารทุกขตาทุกตามสภาพสังขานี้กินความกว้างขวางครอบคลุมตรงตามความหมายของทุกข์ในไตร ล, ลักษณ์ที่ว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ซึ่งอาจจะโยงต่อไปเป็นทุกข์ในอริยสัตว์โดยเป็นที่ก่อให้เกิดผลของอวิชชาตันหาอุปาทานที่ทําให้ขันห้าในธรรมชาติกลายเป็นอุปาทานขันห้าของคนขึ้นมาถ้าจับเอาเวทนาสามคือสุขทุกข์อุเบกขาซึ่งเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์อยู่แล้วมาจัดเข้าในทุกขตาสามข้อนี้บางคนจะเข้าใจชัดขึ้นหรือง่ายขึ้นดังจะเห็นว่า ทุกขเวทนานั้นเข้าตั้งแต่ข้อแรกคือเป็นทุกขทุกสุขเวทนาเจอตั้งแต่ข้อสองคือเป็นวิปริลนามทุกขส่วนอุเบขาเวทนารอดมาได้สองข้อแต่ก็มาจอดที่ข้อสคือเป็นสังขาระทุกหมายความว่าแม้แต่อุเบขาก็คงอยู่เรื่อยไปไม่ได้ต้องแปรปรวนผันแปรขึ้นต่อเหตุปัจจัยของมัน ถ้าใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยู่กับอุเบกขาก็พ้นทุก์ไปไม่ได้เพราะมาเจอข้อที่สคือสังขารทุกขานี้ตรงนี้อัตถกถาไขาความว่าอุเบกขาเวทนาและบรรดาสังขารในไตรภูมิเป็นสังขารทุกเพราะถูกบีบคั้นด้วยการเกิดสลายเป็นอันว่าเวทนาทั้งสามไม่ว่าสุขหรือทุกหรือไม่สุขไม่ทุก ก็เป็นทุกข์ในความหมายนี้หมดทั้งนั้น